จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติ ศาสนากิจที่พระบรมศาสดาพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนไว้ปฏิบัติเพื่อจะได้นำพาชีวิตของตนเองให้ไปสู่ที่ดีที่งามที่สุดและที่เจริญเพราะไม่มีใคร หรืออะไรในโลกนี้ที่จะสามารถพาชีวิตของเราให้ไปสู่ที่ดีที่งามที่สุขที่จเจริญที่ไกลจากความทุกข์ความเสื่อมทั้งหลายได้นอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระพุทธศาสนานี้เปรียบเหมือนกับแสงสว่างในยามค่าคืนเช่นเวลาที่เราเดินทางขับรถในยามค่าคืน ถ้ารถไม่มีแสงไฟก็จะขับไปได้อย่างลาบากไปเร็วไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าทางนั้นคดเคี้ยวหรือไม่อย่างไรก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายตามมาได้ชีวิตเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางในยามค่ำคืน เนื่องจากใจของเรานั้นถูกความมืดครอบงําความมืดนี้ก็คือความหลงที่เรียกว่าโมหะและอวิชชาความไม่รู้ทําให้เราไม่รู้ว่าอะไรสุขอะไรทุกข์อะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเป็นผู้ชี้ทางพาเราไปเราก็จะไปแบบคนที่ขับรถในยามค่า ค, คืนโดยไม่มีแสงไฟพาไปนั่นเองก็คงจะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุอย่างใดยอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนชีวิตของเราก็อย่างนั้นชีวิตของเราก็มีสุขมีทุกข์ อยู่เนื่องจากว่าเรายังไม่เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงของเขาเรามักจะเห็นทุกข์ว่าเป็นความสุขกันเราจึงพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีธรรมะแสงสว่างสอนเราให้เรารู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์แล้วเรา ก็เหลิกเลี่ยงมันต่อไปความทุกข์ก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราเช่นความทุกข์อย่างหนึ่งสำหรับคารวะญาติโยมก็คือการมีหนี้การมีหนี้นี่เป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะเมื่อมีแล้วก็ต้องหามาใช้เขานอกจากใช้ต้นแล้วก็ต้องใช้ดอกด้วยยิ่งถ้าไป ไปกู้แบบดอกแพงๆเพียงเวลาไม่นานดอกก็จะมากกว่าต้นก็จะไม่มีปัญหานั่นมีปัญญาที่จะใช้นี่ได้ก็ต้องใช้ต้องเสียสละสมบัติที่เราหวงแหนไปเช่นที่ดินให้เขาไปเพื่อใช้นี่ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ที่ดินนั้นมีราคามากกว่า นี่ที่เรากู้เขามาแต่เมื่อมีดอกมาทบเข้าไปด้วยก็เลยกลายเป็นนี่ใหญ่โตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักหักห้ามจิตใจของเราให้อยู่ตามอัตภาพของเรามีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้น้อยเพื่อจะได้เก็บเอาไว้ในวันข้างหน้าไม่ใช่ว่ามีมากก็ใช้มาก มีมากนอกจากมากมากจริงๆจนกระทั่ ง, ง, ง, ง, งใช้ไม่หมดในชาตินี้ถ้าอย่างนั้นจะใช้มากหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ต้องใช้ในการทำบุญทำทานเพราะใช้ถ้าใช้ในอย่างอื่นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเอาเงินไปทิ้งอย่างนั้นเองเช่นถ้าใช้กับอบายามุขต่างๆก็จะไม่เกิดประโยชน์ และนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังจะเกิดโทษด้วยคือถ้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนไปเสพสุรายาเมาไม่นานเงินทองที่คิดว่าจะใช้ไม่หมดในชาตินี้มันก็หมดได้เพราะการพนันนี้มันเป็นตัวที่จะดูดเงินของเราไปให้หมดได้อย่างง่ายได้เพราะเวลาเราเล่นเสียแล้วเราก็อยากจะได้คืน พอไม่ได้คืนเราก็ต้องทุ่มลงไปอีกเล่นมากขึ้นไปอีกแล้วในที่สุดก็ไม่มีเหลือแล้วถ้ายังไม่รู้จักหยุดหักห้ามจิตใจไม่ได้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้วก็จะไม่มีปัญญาใช้หนี้เขาก็ต้องมายึดทรัพย์สมบัติข้าวของต่างๆไปจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วถ้ายังไม่พอใช้หนี้ เขาก็อาจจะเอาชีวิตเราไปด้วยนี่เป็นเป็นเป็นผลที่เสียหายที่เกิดจากการเล่นการพนันท่านแสดงไว้ว่าโจรเข้าบ้านร้อยครั้งมันก็เอาไปได้แต่แค่ทรัพย์สินเข้าของเท่านั้นบ้านมันก็เอาไปไม่ได้ที่ดินมันก็เอาไปไม่ได้ถ้าไฟไหม้บ้านมันก็ไหม้แต่ทรัพย์สินกับบ้านเท่านั้น ที่ดินมันก็ยังเอาไปไม่ได้ไม่ไม่ได้แต่ถ้าเล่นการพนันแล้วมันเอาไปหมดเลยทั้งทรัพย์สินทั้งบ้านทั้งที่ดินและชีวิตของเราด้วยแต่พวกเราหรือคนที่เล่นการพ น, น, นันนี้เขากลับมองไม่เห็นกันเพราะเขาไม่ได้ศึกษาไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนำพาชีวิตของเขานั่นเอง ชีวิตของเขาก็เลยต้องพัวพันอยู่ในกับอบายคือคำว่าอบายมุกนี้แปลว่าทวานสู่อบายถ้าใครไปยืนใกล้ๆทวานแล้วเดี๋ยวไม่นานก็ต้องเดินเข้าไปในในอบายนั้นถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอบายมุกไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนันการเสพสุรายาเมาการเที่ยวกำเคืน การมีการมีการครบคนชั่วเป็นมิตรและการมีความเกียจคร้านนี่คือความเสียหายหรือความเสื่อมห้าประการด้วยกันที่จะเป็นเหมือนกับรถลากเราให้ไปสู่อบายเพราะว่าถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับอบา ย, ยมุกเหล่านี้แล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องไปทํา ผิดศีลได้ทำบาปเพราะเราจะไม่มีเงินที่จะมาเสพอบายามุขต่อไปได้คนที่เสพอบายามุขนี้มักจะหาเงินไม่ค่อยเป็นใช้เงินเป็นแต่หาเงินไม่เป็นเพราะว่าจะใช้เวลาไปกับการเสพอบายามุขต่างๆเที่ยวกลางคืนก็ตื่นสายอย่างเมื่อคืนนี้ลอยกระทงก็ตื่นสายกัน วันนี้พระกลับมาจากบิณฑบาตมีญาติโยมนั่งอยู่ในศาลาเพียงคนเดียวตามปกติถ้ามาแล้วจะมีเกือบเต็มศาลาแต่เมื่อคืนนี้นอนดึกกันหน่อยไปเที่ยวกันคืนกันแต่นี่ก็เป็นกรณีพิเศษนานๆครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทาอย่างนี้เป็นประจำแล้วจะมีเวลาไปตื่นเช้าไปทำมาหากินได้อย่างไรเมื่อไม่ไปทำมาหากินมันก็ มันก็ไม่มีรายได้ขึ้นมาก็อาศัยเงินเก่าที่มีอยู่คิดว่าไม่เป็นไรมีเยอะแยะใช้ไปไม่หมดแต่ที่ไหนได้ใช้ไปไม่นานก็ไม่มีไม่มีเหลืออยู่แล้วก็หยุดไม่ได้ด้วยมันเป็นเหมือนยาเสพติดพอเคยพอเคยทำอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเคยออกเที่ยวกลางคืนแล้วพอวันไหนไม่ได้ออกจากบ้านตอนคืนรู้สึกมันหนุนห ง, งิดนอนไม่หลับ ต้องออกไปเที่ยวเช่นเดียวกับการเล่นการพนันการเสพสุรายาเมาหรือการครบคนชั่วเป็นมิตรคนชั่วก็คือคนที่ชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบเสพสุรายาเมาในทางศาสนานี้เราเรียกว่าเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนพาลและก็จะเป็นคนชั่วต่อไปเพราะเมื่อ เขาขาดเงินขาดทองเขาก็จะไม่หาโดยวิธีสุดจริญเขาก็จะต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมไปรับไปขโมยไปช่อโกงไปโกหกหกลอกลวงเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเพราะเขาไม่ขยันทำงานมีความเกียจคร้านนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คบบัณฑิตอย่าไปคบคนพาล อาศยวนาจะบาลานมบันดิตานันจะเสวนาเอตัมมังกลมุตตังในนี่คือในม ง, มงคลละสูตรสองข้อแรกที่ทรงแสดงไว้ก็คืออย่าไปคบคนพาลให้คบบันดิตเป็นมงคลอย่างยิ่งนะการไม่คบคนพาลก็จะทำให้เรานี้ปลอดภัยจากอิทธิพลของเขา ถ้าเราครบเขาเดี๋ยวเขาก็จะชวนเราไปทำในสิ่งที่เขาชอบทาคนพาลก็ชอบเล่นการพ น, นันชอบเที่ยวกลางคืนชอบดื่มเหล้าเมายา mm hmm. เช่นเมื่อคืนนี้ถ้าเรามีคนพาล mm hmm. เขาก็จะชวนเราไ ป, mm hmm. ไปเที่ยว mm hmm. ไปเสพสุรายาเ ม, มากันแต่ถ้าเราไม่ได้คบกับเขา mm hmm. เขาก็ไม่มาชวนเรา mm hmm. เราก็อยู่บ้านนอนหลับสบายตื่นแต่เช้ามาทาบุญ ส่วนพวกคนพาลตอนนี้ก็ยังนอนไม่ตื่นเพราะเมื่อคืนนี้นอนดึกบุญก็ไม่ได้<น>ชีวิตก็ผ่านไปวันหนึ่งปะผ่านไปโดยไม่ได้ดตักตวงประโยชน์อะไรจากการเป็นมนุษย์แล้วก็จะติดเป็นนิสัยไปเกิดมาชาตินี้ก็เลยจะไม่ค่อยได้ได้ทำบุญมีแต่จะทำบาปล้วตายไปก็ต้องไปใช้ดินใช้กัง ไปใช้กรรมเสี้ยวส่วนใหญ่เพราะไม่ได้ทาบุญแต่ถ้าคบกับบัณฑิตบัณฑิตเขาก็จะชวนให้เรามาวัดคืนนี้เราอย่าไปเที่ยวกันนะคืนนี้อยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิฟังเทศน์รรมแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำนอนพักผ่อนให้เต็มที่ร่างกายก็ได้รับการพักผ่อนจิตใจก็ได้รับการพักผ่อนตื่นมาก็สดชื่นเบิกบาน มีกำลังจิตกำลังใจมีกำลังกายที่จะมาวัดมาทำบุญให้ทานต่อเมื่อมาวัดก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมได้ประโยชน์หลายอย่างด้วยกันการฟังธรรมนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นเป็นมงคลอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งว่าการฟังธรรมนี้ก็เท่ากับการติดไฟให้กับรถของชีวิตเรานั่นเอง เวลาเราเดินทางตอนกลาคืนถ้าเรามีไฟเราก็สามารถขับรถไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยฉันใดถ้าเรามีธรรมะนำชีวิตของเราไปชีวิตของเราก็จะไปอย่างสะดวกราบรื่นรวดเร็วและปลอดภัยเช่นวันนี้เราก็ได้ยินได้ัังธรรมแล้วว่าโทษ สิ่งที่เป็นโทษกับชีวิตของเราก็คืออบายยมุขทั้งหลายทั้งห้าประการแล้วก็จากนั้นเมื่อมันเมื่อมันไม่มีเงินมันก็จะให้เราไปกู้หนี้ยืมสินนี่ก็เป็นโทษอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปกู้หนี้ถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปใช้มันอดทนเอาไว้อย่างน้อยก็ไม่วุ่นวายใจ ไม่ต้องคอยหลบเจ้านี้ไม่ต้องกลัวเจ้านี้เขาจะมาทำร้ายเราแต่ถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้วและเราไม่มีปัญญาที่จะใช้คืนเดี๋ยวเขาก็ต้องมามาทวงหนี้เรื่อยๆทวงบ่อยๆเขาไม่ได้เขาก็จะโกรธเขาก็จะด่าเราแล้วถ้ายังไม่ได้เขาก็จะทุบตีทำร้ายเราดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุข อยากจะพาชีวิตของเราไปก้าวหน้าเราต้องรู้จักมักน้อยสันโดษคำว่า ม, มักน้อยก็คือใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อะไรก็ใช้ให้มันน้อยที่สุดเช่นเราต้องอาบเวลาเราอาบน้ำเราต้องใช้สบู่เราก็เลือกซื้อสบู่ราคาที่มันถูกที่สุดอย่าไปซื้อสบู่ที่มันราคาแพงที่สุด เพราะว่ามันก็ทำหน้าที่เหมือนกันชำระร่างกายได้เหมือนกันแต่ถ้าเราซื้อของแพงๆเงินที่มีน้อยอยู่แล้วมันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราใช้น้อยๆเราก็จะมีเงินเหลือไว้เก็บไว้ในเวลาที่เรามีความจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่มีงานทำเราก็ยังจะมีเงินมาจูนเจือชีวิตของเราอยู่ นั้นอย่าไปหลงละเลิงกับของฟุม่มเฟือยทั้งหลายคนที่ใช้ของฟุม่มเฟือยนี้ไม่ได้เป็นคนมักน้อยไม่ได้เป็นคนแต่เป็นคนมากมากชอบใช้ของแพงๆเสื้อผ้านี้ก็ต้องราคาหลายพันถึงจะใส่ได้รองเท้าก็ต้องคู่ละหลายพันอย่างนี้มันไม่จำเป็น เ, เพราะว่าเสื้อผ้าราคาที่ไม่กี่ร้อยมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าที่มีราคาเป็นพันพัน มันไม่ได้ทำให้เราวิเศษวิโสขึ้นมาจากเสื้อผ้านะคนเราจะวิเศษได้นั้นไม่ได้วิเศษที่สิ่งภายนอกไม่ได้อยู่ที่สมบัติเข้าของเงินทองแต่วิเศษที่มีความคุณงามความดีเช่นเป็นคนที่มีศีลนี่เป็นคนที่วิเศษนะที่ที่ญาตโยมกราพระกันก็เพราะว่าพระท่านมีศีลนะ ไม่ใช่เพราะว่าท่านมีเงินทองมากมายหรือมีรูปร่างหน้าตาดีอย่างไรแต่ที่ท่านวิเศษหรือที่ท่านหน้าเรื่อมใสหน้ากราบไหว้บูชาก็เพราะท่านมีศีลนั่นเองท่านตั้งอยู่ในความดีงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไปอยู่กับใครที่ไหนก็ไม่มีใครหวาดระแวงไม่มีใครกังวล ว่าจะถูกทำร้ายจะถูกหลอกลวงอย่างไรนี่คือความดีงามของคนอยู่ที่ศีลธรรมถ้าเราอยากจะสวยงามขอให้เราสวยงามด้วยศีลธรรมอย่าไปสวยงามกับเสื้อผ้าอวาพรมันไม่ได้เป็นของแท้ความสวยงามที่แท้จริงนั้นต้องสวยที่ใจอย่าไปสวยกาย กายนี้มันมีแต่จะแก่ลงไปเรื่อยๆมีแต่จะเหี่ยวลงไปเรื่อยๆมันไม่มีสวยขึ้นมันมีแต่จะสวยน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะไม่สวยเลยแต่ถ้ามิจัยมีศีลธรรมแล้วกับมีคนชื่นชมยินดีมีคนรักเสมอเพราะความสวยงามทางใจนี้มี อนุภาพมากกว่าความสวยงามทางทางกายและไม่เสื่อมไปตามวัยด้วยมีแต่จ ะ, จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรารักษาได้มากได้เนาะได้มากเท่าไหร่ได้นานเท่าไหร่เราก็จะสวยขึ้นไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเราตายไปแล้วก็ยังมีคนกราบไหว้บูชาอยู่เช่นพระพุทธเจ้าเป็นเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้านี้ท่านตายไปแล้วน้องสนกว่าปีแต่ความสวยงามของท่านทางด้านจิตใจ ย, ยังเป็นที่ประทับใจของสัตว์โลกทั้งหลายที่กราบไหว้บูชาท่านย่ายอย่างสนิทใจเพราะความสวยงามทางด้านจิตใจนี้เองดังนั้นขอให้เราพยายามเจริญมักน้อยสันโดษไว้ให้เป็นนิสัย แล้วเราจะไม่ขาดทุนบางท่านอาจจะคิดว่าก่อนมาแล้วต้องมีกำไรชีวิตเมื่อมีเงินทองแล้วต้องใช้มันให้เต็มที่ซื้อความสุขให้ให้เต็มที่แต่ความสุขที่ท่านซื้อนะั้นมันเป็นความสุขเหมือนความสุขของยาเสพติดของสิ่งเสพติดทั้งหลายเพราะเมื่อได้ซื้อของแพงๆแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยก็ต้องซื้อของแพงๆไปเรื่อยถ้าไม่มีเงิน ไม่มีปัญญาที่จะซื้อก็จะทุกข์ใจแล้วเพราะว่าเคยใช้ของแพงๆต้องมาใช้ของถูกๆแล้วมันรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้ไม่มีความสุขนี่แหละคือความกําไรของชีวิตของคนที่มีเงินนี้เป็นแบบนี้มีเงินแล้วซื้ออะไรต่างๆมามันไม่ได้ให้ความความสุขหรือความอิ่มเอิบกับใจเลย มันให้ความเพลิดเพลินในชื่อขณะที่ได้เสพได้สัมผัสเท่านั้นแล้วก็ปล่อยให้มีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีความอยากที่จะไปเที่ยวอีกอยากจะไปซื้อของใหม่ๆอีกอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินที่เรามีมากนี้มาทำบุญให้ทานมาช่วยเหลือผู้อื่นมันจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจ มีความภูมิใจและเราจะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่ายกย่องสรรเสริญนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นหนึ่งในใ น, ในการให้ทานในการสงเคราะห์โลกนี้ไม่มีใครจะสงเคราะห์โลกได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าพวกเราอย่างมากสงเคราะห์โลกกันได้ก็ด้วยการให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีข้าวของ เงินทองใช้จ่ายแต่ยังไม่สามารถช่วยกำจัดกิเลสได้ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากการเวีเวยนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้เท่านั้นที่ทำได้ท่านสอนให้สามโลกนั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์มานับเป็นจํานวนนับไม่ถ้วนแล้ว พวกเรานี้ก็ได้รับอนิสงส์จากการให้ของพระพุทธเจ้าคือการให้ธรรมะนี้เองท่านแสดงไว้ว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงให้อะไรก็ไม่ดีเท่ากับการให้ธรรมะแต่เนื่องจากเราไม่มีธรรมะเราก็ต้องให้อย่างอื่นไปก่อนสิ่งไหนเรามีให้ได้เราก็ให้ไปมีเงินทองให้ได้ก็ให้ไปถ้าไม่มีเงินทอง ก็ให้อภัยไปก็ได้อย่าไปถือโทษโกรธเคืองใครจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทให้อภัยให้อภัยแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความสบายใจคนที่ได้รับการให้อภัยเขาก็มีความสุขเขาก็มีความสบายใจเช่นเดียวกันเหมือนกับการให้ข้าวของเงินทองวนิญาตโยมนำกับข้าวกับปลามาถวายให้กับพระ พระท่านก็มีความสุขจากการได้รับประทานอาหารที่ญาติโยมนามาถวายญาติโยมก็มีความสุขจากการได้ให้อาหารกับพระภิกษุสมมามเณรนี่การให้เป็นสิ่งที่จะทำให้คนเราประเสริฐทำให้คนเราเป็นคนน่าเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นคนที่สวยงาม น, นอกจากการให้แล้วก็การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดตเวณีพูดปดมดเท็จโกโหกหลอกลวงก็จะทำให้เราเป็นคนน่ารักน่าเลื่อมใสเป็นคนสวยงามที่แท้จริงและถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบระงับได้ยิ่งจะเป็นคนที่น่ารักใหญ่ถ้าเป็นคนไม่มีความโลบโมโทสัน ไปอยู่กับใครที่ไหนก็ไม่มีอารมณ์แสดงอาการของอารมณ์ไม่ดีออกมาให้ผู้อื่นได้รับได้สัมผัสไม่โลภไม่โกรธใครใครจะพูดใครจะทำอะไรก็ไม่โกรธไม่เคืองเห็นอะไรก็ดีไปหมดเห็นอะไรเข้าของเงินทองของใครก็ไม่คิดอยากจะได้ใครจะวางเงินไว้ตรงไหนก็ไม่เคยแตะไปต้อง ถ้าเป็นของที่เขาไม่ให้แล้วก็ไม่ไปรับไม่ไปหยิบมาคนที่มีจิตใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไปอยู่กับใครที่ไหน mm. ก็จะเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพอย่างมาก mm. เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นใจของท่านก็สงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงกายวาจาของท่านก็ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ท่านมีอะไรท่านก็ไม่เก็บไว้มีอะไรก็แจกจ่ายช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่เดือดร้อนพระท่านก็ไม่มีสมบัติมากมีก็สิ่งที่ได้จากญาติโยมมาพอที่พอสิ่งไหนที่ท่านไม่ใช้ท่านก็ทาบุญให้ทานต่อไปส่วนใหญ่ที่ท่านจะให้ก็คือธรรมะคาสอนของพ่อพระพุทธเจ้านี้เองเพราะว่าเป็นประโยชน์มากที่สุด สิ่งอย่างอื่นก็เพียงแต่ดูแลรักษาร่างกายเช่นอาหารก็ดูแลให้ร่างกายอยู่ไปได้แต่ยังไม่ได้ดูแลจิตใจสิ่งที่จะดูแลจิตใจสิ่งที่จะเป็นอาหารกับจิตใจก็คือธรรมะ <c oughs> อย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้ฟังธรรมะอยู่หลายข้อด้วยกันถ้านาเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วรับรองได้ ว, ว่าจิตใจจะดีขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นจิตใจจะสวยงามมากขึ้น ยังขอให้ท่านจงเห็นความสําคัญต่อการเข้าวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอย่าเห็นว่าการทํำหากินนี้สําคัญกว่าความจริงแล้วภารกิจทางศาสนานี้สําคัญกว่ามากแต่เราก็ต้องอาศัยภารกิจทางโลกเพราะชีวิตของเราต้องมีปัจจัยสี่ไว้ดูแลแต่อย่าไปทํามากเกินความจําเป็น ทำพอให้มีพอมีกินมีใช้แล้วจะได้มีเวลามาปฏิบัติภารกิจทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่มีอะไรจะทําได้นอกจากภารกิจทางศาสนานี้เท่านั้นจึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้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 ด้วยอายุวันสุขภารโดยทั่วหนาการเธอ